ที่หของกรัลยาณธรรมตราก็ได้มาถึงบ้านกุฎงอกซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งอริยธรรมที่เก่าแก่มากช่วงสาวันที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเราย้อนระลึกถึงสิ่งที่เราได้ผ่านพบที่สี่วันที่ห้าวันที่หกเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเราได้พบกับสิ่งที่นะมีความเก่าแก่ในทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรร ม, ว, ว, รมวันที่สี่เราก็ได้ ผ่านวัดพระเจ้าองค์ตื่อซึ่งเป็นซึ่งมีสิ่งสำคัญนะก็คือพบทรูปนะหินสลักอายุเก่าประมาณห้าร้อยปีหรือหกร้อยปีคือสมัยอายุายทยาตอนต้น น, นี่คือสิ่งที่เราได้พบนะบนรุ่มน้ำลำปทาวนะบนเส้นทางที่ลาปทาวไหลผ่านแต่เมื่อวานนี้เราก็ได้มา ทั้งแรงมกันที่ปรางกูอโรคยาสารนะซึ่งมีอายุเก่าแก่นะประมาณ800ปีนะเก่ากว่าพระเจ้าองค์ตื่นนะย้อนถอยหลังไปถึงสมัยสุขโขทัยเลยนะรวมสมัยเดียวกันแลมืวันนี้เนี่ยเรามนได้พบกับแหล่งอรารยธรรมที่เก่ากว่านั้นอีกนะก็คือประมาณพ4 0 0ปีสมัยพุ ทศตวรรษที่12ถึง14สมัยทวรารวดีนี่คือสิ่งที่เราได้พบนะบนเส้นทางที่เราเรียบมาตามลำปะทาวมาแสดงเห็นว่าลำปะทาวเนี่ยนะมีความสำคัญในทางโบราณคดีและปรวติศาสตร์มากมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยของผู้คนจำนวนนับหมื่นนะ ตามรายทางที่เราเดินทางมาระยะทางเกือบร้อยกิโลเมตรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ว่าย้อนถอยหลังกันไปเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันปีที่นี่ก็เคยมีชุมชนโบราณมาตั้งอยู่นี่เรายังไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราค้นพบนะที่บนเส้นทางที่เรา หล อ, อนแรมในช่วงที่ผ่านอุทยานแห่งชาติตาดโตนมีรอยธร ร, รอยจารึกที่เก่าแก่เหมือนกันแต่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เห็นนะเพราะว่า อ, อ, อ, อยู่ค่อนข้างจะเข้าเข้าถึงลำบากหน่อยที่จริงก็อยู่ใกล้ๆกับน้ำตกนะช่วงที่รอเดินประมาณบ่ายสาบ่ายสี่บ่ายห้าเนี่ย มีรอยจารึกประมาณสองบรรทัดนะเก่าแก่มากเนะเป็นข้อความนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าห้าพระองคนะ์ซึ่งคนไทยเรานับถือมาช้านานให้รำบาทาที่หลายคนนะจะไม่เคยได้ยินชื่อจนกระทั่งได้มาเดินธรรมยตตราเนี่ยมันมีความสำคัญทีเดียวทั้งปัจจุบันแล้วก็ย้อนถอยหลังนะไปยังอดีตนับร้อยนับพันปี เพื่อเหมือนเช่นนี้นะนะเราก็คงจะเห็นคุณค่าของลำปะทาวมากขึ้นนะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้าม <c oughs> เป็นสิ่งที่มีความสําคัญทั้งในทางนิเวศวิทยาทั้งในทางวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนธรรมซึ่งก็ควรเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ใช่เฉพาะคน <c oughs> ที่พักอาศัยอยู่ลุ่มน้ําลำปทาว คนกุดง้อคนชัยภูมิเท่าหน้าที่ควรจะภาพภูมิใจนแล้วพวกเราที่อยู่ไกลก็ก็สมควรกับการที่จะภาพภูมิใจแล้วก็เห็นความสําคัญนี่คือสมบัติอันล้ำค่านะที่ชาวชัยภูมิควรจะรักษาเอาไว้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีชาวชัยภูมิกี่มากน้อยนะที่ เห็น <S an> <an> <asta> จริงจังว่าร่มน้ำรับประทาน <S <S <an> <S มีความสำคัญมากเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทุกวนันนี้แล้วก็เป็นสายทานแห่งวัฒนธรรมนาแต่อธิการเรายังไม่รู้เลยว่ามีอะไรที่ฝังกลบอยู่นะในร่มน้ำรับประทานที่รอการค้นพบรอยธทมที่เพิ่งพูดถึงเนี่ย ซึ่งก็เก่าแกะนะ่หลายร้อยปีก็เพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วนี่ในช่วงที่เราเดินธรรมยาตรานะประมาณเตือนวันที่ห้ธันวาเนี่ยเพิ่งเจอนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอีกนะที่มีคุณค่าในทางโบราณคดีแล้วก็ประติศาสตร์ตามลุ่มน้ลาลำปตาวนั่นถ้าปล่อยถ้าเราป่อยให้รู้นั้นลำปตาวเนี่ยนะเสริมโทมนะเปลี่ยนสภาพไป กลายเป็นเพียงแค่ท่อระบายน้ำนะระบายของเสียอันนี้ก็นับวน่าเสียดายมากแล้วนะก็อยากจะให้พวกเราได้มาศึกษาถึงคุณค่าความสําคัญของเราบรรดาและชุมชนที่อยู่ตามลําน้ําโดยพราะที่นี่นะมีสิ่งที่น่าเรียนรู้มากมายนะซึ่งชายสานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชายภูมิชายสารคุณภาพภูมิใจ ว่าเรามีความเป็นมาที่เก่าแก่ยิ่งกว่าสุขโขทยัยอุทยาและก็รัตนกโกสินทร์สิ mm hmm. คนดีสามไม่ใช่เป็นชุมชนคนล้าหลังนะด้อยพัฒนานะแต่มีความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจมาช้านานล้วอันนี้คือร่างเงานะหรือกําพืชนะที่คนดีสามโดยเฉาคนชายภูมิเนี่ยควรจะภาคภูมิใจ แต่มาเคยมาพูดที่นี่นะเมื่อหลายปีก่อนสึกกับปีที่แล้ ว, ลวเราเคยพูดว่าคนชายภูมิถ้าไม่รู้จักบ้ายกุดงงไม่รู้จักเสมาบ่านกุด ง, งงนี่ก็เรียกว่ายัางเป็นยังเรียกว่าเป็นคนชายภูมไม่ได้นะแล้วมาแล้วไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าอะไรมันมีความสําคัญอย่างไรอันนี้ก็นับว่าเสียดายมากนะถ้าพวกเราที่เป็นชาวธรรมยาตรานะมาก็ถือโอกาสเรียนรู้ซะนะ การเดินธรรมยราของเราปีนี้เนะี่ยเป็นครั้งที่สิบเจ็ดแล้วที่จริงเราก็เดินมาซ้ำรอยเดิมนะเพียงแต่ว่าเราเดินทางกันมาคนละทิศเมื่อปีห้าห้าเนี่ยเราเริ่มต้นธรรมยราตรงเนี้ยบ้านกุดงงแล้วเราก็เดินไปพักเพลงที่บ้านหน้องฉิมนะแล้วก็ต่อไปนะไปผ่านพระ พะปรางปรางกูแล้วก็ไปพักแรมที่วัดพระเจ้าองค์ตือชาวธรรมยัตาก็ได้เคยเห็นได้เคยผ่านได้เคยสัมผัสกับเส้นทางนี้มาแล้วก่อนที่จะไปทะลุไปทางตากโตนแล้วก็บ้านวัดห้วยหินลาดนะแล้วก็ต่อไปนะทำรถไฟกุดงงแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตักอุทองนี่เราก็คือว่าเดินย้อน นะรอยเมื่อปี55ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสที่พุทธศาสนาครบ200ร้อยปีที่เราพุทธชยันตี26ศตวรรษเวลา4ปีก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วก็อยากจะกลืนนำตรงนี้แล้วก็โยงไปถึงเรื่องประสบการณ์นะที่ตมาได้เคยเดินทางไกลเพื่อประมาณตั้เกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปเดินเรียกว่า จาริกนะที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นอาจารย์ยูกิก็ไปด้วยไปคราวนั้นเนี่ยนะที่จริงปีสามเก้ามาก่อนนะไม่ใช่ปีสี่ศูนย์ปีส9มเก้าเป็นการเดินระยะทางก็สิบวันได้มั้งในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นจังหวัดนากาโนะที่เลือกเดินจาริกไปตรงเส้นนั้นเพราะว่ามีคนไทยมาอยู่เยอะคนไทยเนี่ยเคยไป ทำมาหากินที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแสนนะมีสิบปีที่แล้วเนี่ยมีคนไทยเนี่ยหลายหมื่นคนเนหะยียบแสนทั้งที่ตอนนั้นคนไทยก็ถูกส่งตัวกลับเนี่ยมากแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงไทยนะแล้วก็ไปอยู่ญี่ปุ่นกันคนละหลายปีก็รู้สึกโหยหาอยากจะเห็นพระ อยากจะได้ทําบุญกับพระหลายคนในเวลาเวลาจะทําบุญเนี่ยก็ต้องโทรศัพท์มามาให้พ่อแม่ที่เมืองไทยช่วยทําสังฆทานให้หน่อยแล้วก็หลายคนก็ไปตกหลกรรมลําบากที่นั่นติดคุกติดตารางนะก็หลายคนนะเป็นข่าวใหญ่เมื่อยี่สกว่าปีที่แล้วมันจะมาไปญี่ปุ่นก็อยากจะไปช่วยสงเคราะห์คนญี่ปุ่นแล้วนะก็เลยคิดวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือการเดิน จ่าริบไปตามชุมชนที่คนไทยพักอาศัยให้คนไทยได้ทำบุญแล้วก็ได้สนทนาได้ช่วยไขยข้อข้องใจหรือว่าช่วยทำให้เขาได้เห็นทางออกจากชีวิตจากปัญหาชีวิตววก็เดินทีแรกก็เดินก่าวว่าจะไปเงียบๆ น, นะแต่ว่าตอนหลังก็เป็นข่าวสำนักผู้สื่อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์เขาก็ทำข่าวแต่ว่าเป็นระดับจังหวัดนะ ไม่ใชระดับประเทศระดับประเทศก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แพร่หลายเท่ากับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์ในระดับจังหวัดจนะมีผู้สื่อข่าวตามไปด้วยนะเขาอยากจะรู้ว่าเออพระไทยก็เดินทุ ด, ดงหรือว่าเดินจาริกกันยังไงมีการบินธบาุด้วยก็นะมีคนญี่ปุ่นตามไปด้วยหลายคน แต่ก็ไม่ได้มากมายอย่างขนาดธรรมยาตาเนะี่ก็ประมาณสิบคนนั้นนะก็มีช่วงหนึ่งนะเดินใกล้ถึงนาการโนะซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางตอนที้เข้าเขตเมืองแล้วเป็นวันสุดท้ายพอดีก็มีรถเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยวิ่งสวนมาอตาตมาเดินอยู่บนฟุตบาทนะคนขับนี่เป็นผู้หญิง แล้วก็หลังรถหรือหน้ารถเนี่ยนะเป็นเด็กอายุประมาณสิบัวผู้ชายพอเดินใกล้สวนกับพวกเรานะซึ่งมีามา น, นำหน้าเด็กก็ลดกระจกลงแล้วก็ตะโกนตอนนั้นเนี่ยนึกว่าเขาตะโกนด่านะเพรา่อธตามาเคยเจอมาแล้วนะเคยไปเดินบินธบาตแถวประเทศอังกฤษเนี่ยเมือ่อสี่ห้าปีก่อนน้านนั้นเนี่ยคนอังกฤษบางคนก็ ด่าตะกนด่าเพราเขาลังเกียจเขาจะพวกเรามาขอทานหรือเขาจะลังเกียจพวกเอเชียมันมีคนประเภทนี้อยู่แต่เป็นส่วนน้อยตอนที่เห็นคนเด็กญี่ปุ่นเขาลดกระจดลงเนี่ยก็นึกเขาจะตะกนด่านะแต่จริงเขาให้พรนะก็าอวยพรเขาอว ย, ยพรว่ากัมบัตเตกัมบัตเตกัมบัตเตนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยมากนะเป็นคําอวยพรมันแปลว่า ขอให้สู้ต่อไปนะหรือว่าขอให้ดีความขยันหมั่นเทียนคนไทยเนี่ยเวลาอวยพรเราจะอวยพร ว, ว่าอะไรขอให้โชคดีนะนะขอให้โชคดีเวลาเวลาลูกนะจะเดินทางแม่พ่อก็บอกว่าขอให้ลูกโชคดีหรือจะไปสอบก็ขอให้โชคดีในการสอบนะเพื่อนก็อวยพรเพื่อนแบบนี้เหมือนกันอาจารย์ก็อวยพรลูกศิษย์แบบนี้ขอให้โชคดีนะ แต่คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นอาจารย์เนี่ยหรือเป็นเพื่อนเนี่ยเขาจะอวยพรกำบัตเตะขอให้มีความเพียรขอให้สู้ต่อไปนะขอใอย่าท้อถอยมันก็ทําให้ได้คิดนะเออคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้นักถือาศาสนาเท่าไหร่นะแต่คำอวยพรของเขาเนี่ยมันตรงกับคําสอนของพวกที่เจ้าเลยาศาสนาพุทธเนี่ย คำสอนของพระ เ, เจ้าเนี่ยจะสอนให้เน้นเรื่องทําความเพียรนะศาสนาพูทธเปศาสนาที่เน้นเรื่องการทําความเพียรมากจนมีชื่อหนึ่งว่าวิริยะวาทะวิริยะวาทะคือว่าคําสอนเกี่ยวกับความเพียรพยายามเพราะว่าชาวพุทธเราเนี่ยเราไม่เชื่อเรื่องเทวดาพระเจ้าที่จะโดนบันดาลอย่างพรหมลิขิตนะเราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและกฎแห่งกรรมเนี่ยหมายความว่าถ้าเราอยาก ได้ดีก็ต้องทำดีหรือว่าต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันดีนะจึงจะเจอของดีหรือประสบสิ่งดีๆไม่ใช่เพราะโชคไม่ใช่เพราะการวิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดนบันดาลโชคให้กับเราเาคนญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาไม่ค่อยไวยพอเรื่องโชคเท่าไหร่นะ ต, ตรงข้ามคนไทยเนี่ยเรา ภูมิใจว่าเราเป็นเมืองพุทธเราภูมิใจที่เป็นชาวพุทธแต่เวลาอวยพรเราอวยพรยแต่เรื่องโชคทั้งนั้นเลยขอให้โชคดีอันนี้มันก็น่าแปลกนะคนญี่ปุ่นเนี่เขาก็ไม่ได้นับถือพุทธหรือภูมิใจหรือหรือว่ามั่นใจในความเป็นพุทธแต่ว่าสิ่งที่เขาอวยพรยเนี่ยมันเป็นพุทธแท้ๆเลยคือขอให้มีความเพียรพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลย่อมร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร นะไม่รู้คนญี่ปุ่น เ, นยเคยได้ยินภาษเศ้นนี้หรือเปล่านะแต่เขาเชื่อนะในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสุขความเจริญนะหรือว่าจะเข้าถึงจุดหมายที่สูงส่งในชีวิตได้เนี่ยต้องทำความเพียรแต่ที่คนไทยเราเนี่ยนะอ้างแตอ่อ้างแต่หรือว่าหวังพึ่งพิงโชค และพอพึ่งพิงโชคนะ้ก็ต้องพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะบรรดาลโชคให้เราได้จริงอยู่นะคนไทยเราก็ทําบุญกันเยอะนะแต่ทําบุญหลายครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เราทําบุญเนี่ยเพราะหวังว่าอบุตรนี่แหละมันจะเป็นตนบนันดาลให้เกิดโชคลาภขึ้นมาบางทีก็ไม่ทําบุญนะแต่ว่าไปอ้อนวอนวินวงวอ น, น, นร้องขอเทวดาบางทีก็ไปวิงวอ น, นร้องขอพระพุทธเจ้าด้วย เมื่อตอนเย็นเนี่ยจานนพสนเนี่ยก็มาบอกว่าเนี่ยใบยเสมาเนี่ยหลายใบเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันมีคราบนะมีคราบปิดทองมีคราบเ อ, อเทียนเนี่ยที่คนมาขูดเนี่ยนะขูดทำไมนะถ้าไม่อยากถาไมคือขูดเพื่อว่าจะได้จะได้หวังหวังดุลบรนดาล น, นะให้เกิดประสบโชคลาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขูดเฉพาะ อ่าใบเสรมาแล้วนะต้นไม้อะไรต่างก็ขูดนะเพื่อหาเลนเนอ mm ่ย hmm. นี้น่าคิดนะคนเราเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเราต้องหันกลับมาที่การทำความเพียรและประเทศที่ก็จเจริญนะนะไม่ใช่เพราะโชคนะประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีนะซึ่งตอนนี้ก็จเจริญตามหลังญี่ปุ่นล้าหน้าเมืองไทยไปแล้วทั้งที่เขาเคยยากจนกว่า ประเทศเราเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเขาเยากจนกว่าเรามากนะถึงขนาดที่เราอาหารการกินเนี่ยมันขาดแคลนเมื่อ60ปีที่แล้วนี่จนมากนะแต่ตอนนี้รวยเขาก็เชื่อเรื่องความเพียร น, นะอัตอมาเพิได้ฟังเรื่องราวของคุณป้าคุณนะแกมีอาชีพขายผักอายุสัก60กว่า <c oughs> ก็คงขายผักมาช้านานนะแต่เดิมเนี่ยก็คงจะมีคนเนี่ยขับรถส่งผักไป ไปตามร้านตอนลังเกิดอะไรไม่ทราบนะแกคิดจะขับรถเองเพื่อไปส่งผักเมื่อจะขับรถก็ต้องทำใบขับขี่การที่จะได้ใบขับขี่นี่นะก็ต้องไปสอบสอบก็มีสองอย่างนะสอบสอบภาคปฏิบัติกับสอบข้อเขียนสอบภาคปฏิบัติเนี่ยแกผ่านผ่านสบายเลยแต่สอบข้อเขียนเนี่ยแกตกเพราะว่า มีข้อสอบอยู่ห้าสิบข้อเนี่ยร้อยคะแนนแกไม่เคยสอบได้ถึงสามสิบข้อคือหกสิบคะแนนถ้าได้หกสิบเนี่ยอย่างน้อยกงจะผ่านแกไม่เคยได้ตอบได้ถึงสามสิบข้อเนี่ยแกสอบไม่ได้แกก็สอบอีกตอนที่ธรรมาได้ข่าวเรื่องของคุณเป้านี้นี่ยปีห้าสองแกสอบมาแล้วเจ็ด้อยเจ็ดสิบห้าครั้งนะ <c oughs> คนคุมสอบเนี่ยบอกกอยอยากจะช่วยแกเต็มที่เลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะมาลุขายทีเดือนธันวาพุศจิการในช่วงที่เดินธรรมยาตายได้ข่าวว่าแกสอบได้แล้วหลังจากที่สอบมาเก้ารอยห้าสิบครั้งนะคนแบบนี้นี่นะน่าทึ่งนะและตมาเชื่อไม่มีในเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยเราสอบสามครั้งไม่ได้เราก็ เราก็ต้องใช้แหละทําไม่ใช้เส้นก็ใช้เงินแล้วใครจะสอบสามครั้งสอบบางทีบางคนไม่สอบเลยนะก็ใช้เส้นหรือไม่ก็ใช้เงินซื้อแต่เกาหลีทำอย่างนั้นไม่ได้มีเงินเท่าไหร่นะก็ซื้อใบขับขี่ไม่ได้เส้นใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันนี้คือเหตุปจัจจัยทำให้คนเกาหลีนี่เหตุปัจจัยส่วนที่ทำให้คนเกาหลีขยัน การขยันแบบไม่น่าเชื่อนะเพียงแค่ใบขับขี่ใบเดียวนี่แก ต, ต้องสอบถึงเกือบพันครั้งสอบตั้งแต่ปีสี่แปดนะสอบวันเว้นวันเลยนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะแกไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยแล้วคนนี้ก็คือคนธรรมดานะมันไม่ได้เป็นคนยิ่งใหญ่เลยเลยนะี่ยแต่ว่าเนี่ยคือคนธรรมดาซึ่งมีอยู่มากมายนะในเกาหลีเพียงแต่กรณีนี้อาจจะเด่นชัดหน่อยอันนี้แสดงว่าแกมีความเพียรมาก นะสอบเท่าไหร่แม้ไม่ได้ก็ไม่ท้อถอยแล้วคนที่จะทําแบบนี้ได้มีความเพียรแบบนี้ได้ต้องมีความปล่อยวางระดับหนึ่งนะฟังพูดแล้วเนี่ยมันก็เอ้ยมันจะถ้าปล่อยวางมันจะมันจะมีความเพียนอย่างนี้ได้ยังไงถ้าไปคือถ้ า, ากว่ามีความคาดหวังมากมีความยึดติดถือมั่นมากว่าจะต้องสอบให้ได้ต้องสอบให้ได้เนี่ยสอบสิบครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วหมดหวงังผิดหวงัง ย sure um um um ิ่งหวังมากยิ่งผิดยิ่งหวังมากแล้วถ้าไม่ได้มันจะผิดหวังมากและผิดหวังมากก็ทาให้ท้อแต่ว่าคนที่เรียก่ปเรี่กว่าขยันก็จริงนะแต่ว่ามีความปล่อยวางระดับหนึ่งก็คือว่าสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไอ้เขาไม่เป็นไรเนี่ยนะมันต้องหมายถึงการปล่อยวางระดับหนึ่งนะไม่สอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้สอบใหม่มื่อนที่สอบไปสอบอีกไม่ได้ไม่เป็นไร สอบใหม่แล้วแกไม่เป็นไรงี้มากี่ครั้งแนละ้วเก้ารอยสี่สิบเก้าครั้งนะแกะสอบครั้งที่เก้ารอยห้าสิบถึงได้เนี่ยคือความเพียร น, นะซึ่งพวกเราเนี่ย น, น่าจะน่าจะอร ะ, ะลึกระตะนักว่าเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่สําคัญมากความเพียรเนี่ยพุทธศาสนาถือเป็นบารมีนะเป็นบารมีคำว่าบารมีเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยเราก็เข้าใจผิดเพี้ยนละ บารมีเนี่ยเราเข้าใจว่าหมายถึงอิทธิพลนะผู้มีบารมีนะเวลาบอกว่าผู้มีบารมีเราก็นึกถึงเจ้าพ่อนะนักการเมืองเพราะอะไรเพรเราคิดว่าบารมีหมายถึงคนที่มีอํานาจคนที่มีอิทธิพลมีบริษัทบริวารเยอะอันนี้ผิดหมดเลยนะบารมีในพุทธศาสนาเนี่ยมันหมายถึงความดีอันยิ่งยวดต้องเป็นความดีด้วยนะแล้วก็ต้องบําเพ็ญอย่างยิ่งยวดด้วยเพื่ออะไรนะเพื่อบรู้ ถึงจุดหมายสูงสุดนะของความเป็นชาวพุทธก็คือการเป็นพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลเป็นบุคคลในอุดมคติสูงสุดนะรองลงมากกคือพระอรหรันตะ์บา ร, รมีเนี่ยนะต้องบาเพ็ญนะเฉพาะพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงจะบาเพ็ญได้อย่างครบถ้วนแต่ถึงไม่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความดีที่เราควรจะบาเพ็ญเหมือนกัน และวิริยะเนี่ยคือบา ร, รมีอย่างหนึ่งนะแต่ว่าบา ร, รมีอันเนี้ยคนไทยก็มองข้ามไปเยอะแล้วนะเพราะอย่างที่บอกเราหันไปหาโชคเราไปพึ่งโชคแทนพราะไปพึ่งโชคเนี่ยมันก็ไม่มีความเพียรนะรอฟลุกนะหรือไม่ก็รอหรือไม่ก็ใช้วิธีการวิงบอลร้รองขอเวลาวิงวอลร้รองขอเนี่ยเราใช้คําว่าอะไรเรียกอธิษฐานอธิษฐานเทวดาอธิษฐาน ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ได้ประสบโชคลาภที่ อ, อธิษฐานก็เหมือนกันนะเป็นบารมีนะอธิษฐานในภาษาของชาวพุทธหรือภาษาบาลีเนี่ยมันแปลว่าความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการทําความดีแต่นี่อธิษฐานของคนไทยแปลว่าอะไรร้องขอคนเรื่องกันเลยตรงข้ามกันเลยเพราะอธิษฐานนี่หมายถึงว่าความตั้งใจแน่ในที่จะทํา ซึ่งจะทําให้เกิดความเพียรอย่างใช่พผู้เจ้าตอนในคืนที่พระองค์จะตัดสรู้เนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานว่าไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้บรรลุธรรมนะแต่อธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจะเหี่ยวแห้งเห ล, ลือแต่หนังเองกระดูกราบใดที่ยังไม่บรรลุธรรมอันบุคคลสามารถบรรลุธรรมบรรลุได้ด้วยความเพียรเราก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไม่ได้ร้องขอเลย นะอธิษฐานเหมือนกันนะแต่ว่าความหมายคนละเรื่องเลยอธิษฐานของเจ้าชายจิตรฐานในคืนที่จะตัดสรู้เนี่ยก็คือยืนหยัดมั่นคงนะที่จะภาวนาบำเพ็ญเพียรจนพ้นทุกจนเห็นแจ้งในสัจธรรมแต่ทีนี้อธิษฐานของเราคือร้องขอซึ่งมันก็ ไปสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องโชคลางหวังพึ่งโชคหวังพึ่งโชคลาภก็เลยต้องหันมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้บรรดาลให้เกิดโชคเกิดลาภหรือมิฉะนั้นก็พึ่งพาวัตถุมงคล น, นะเพื่อจะได้ประสบโชคลาภนะร่ำรวยหายป่วยนะหรือว่ามั่งมีแล้เดี๋ยวนี้เออะไรก็ ก็ขอให้มีโชคหรือว่าหวังโดนบันดาลให้ประสบความสำเร็จจะไปสอบนะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องไปบนบาลสารเก่าวทำวิทยานิพนธ์ก็ต้องบนบานสารเก่านะขอให้ทำสำเร็จาทั้งที่ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะปเป็นยาเอกซะด้วยนะ AR และก็อธิษฐาน ในลักษณะที่เป็นการวิงวอนร้องขอเพื่อให้ประสบความสําเร็จหรือเกิดผลสำเร็จขึ้นมานี่เราห่างไกลาจากความเป็นพุทธแล้วนะห่างไกลามากทีเดียวนะคนญี่ปุ่นเกาหลีนี่ยังใกล้ยังมีความเป็นพุทธหรือว่าใกล้ความเป็นพุทธมากกว่าเราอีกเพราะว่าคนในเรื่องความเพียรฉะนั้นเมื่อเรามาตรงเนี้ยมาที่นี่เนี่ยนะโอ้มีเรื่องราวนะเกี่ยวกับใบเสมาซึ่งโดยและแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ เป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีอย่างยิ่งยวดนะอย่างมีมีเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของผูริทัศนะเป็นพยานนาคเนี่ยเพยานา้านี้ก็รู้สึกเสียดายนะรู้สึกอิจฉามนุษย์นะมนุษย์นี่ยังสามารถจะบําเพ็ญเพียรรักษาศีลได้อย่างครบถ้วนแต่พยานนานี้ก็มีข้อจํากัดแม้กระนั้นเนี่ยก็ยังพยายามรักษาศีล อรับัณฑ์สินสินแปดใช่นะในวันอุโบสถศีลเป็นพิยานานีาน่พอถึงวันพระเนี่ยนะก็ขึ้นมาจากน้ำมาเป็นมนุษย์แล้วก็ถืออุโบสถศีลแต่ว่ามันมีมนุษย์ที่ชั่วร้ายเนี่ยนะเห็นพยา น, นาเนี่ยก็อยากจะจับเอาไปออกงานวัดนะพูดในภาษาง่ายนะก็จับได้นะพยา น, นาน่มีมีฤทธิ์มากนะแต่ไม่ทำ เพราะตอนนั้นเนี่ยนะรักษาศีลนะมีความมั่นคงในศีลมากแม้ว่าจะถูกทำร้ายนะจะถูกรังแกยังไงเนี่ยก็ยอมเพราะว่าถ้าสู้เมื่อไหร่เนี่ยมนุษย์เนี่ยตายซึ่งก็จะเป็นการผิดศีลจนกระทั่งเนี่ยตอนหลังก็มี ม, ม, มีมีเพื่อนพ้องพี่น้องมาช่วยนะคือเรียกว่ายอมตายนะเพื่อที่จะ ไม่ผิดศีล น, นะแล้วบางทียอมตายเนี่ยนะอ่าที่ว่ายอมตายเพื่อที่ไม่ผิดไม่ผิดศีล น, นี่ก็เรียกว่าบำเพ็ญศีลบารมีแล้วบางทีไม่ใช่ยอมตายเพื่อไม่ผิดศีล น, นะยอมตายเพื่อช่วยผู้อื่นก็มีและผู้อื่นที่ว่านี่ไม่ใช่พ่อแม่นะไม่ใช่ครูบาอาจารย์นะบางทีเป็นแค่สัตว์เดรัจฉาน <c oughs> อย่างมีพระโพธิสัตว์นะชาติหนึ่งเนี่ยผู้เจ้านี่แหละนะ ที่เมื่อครั้สวยพระชาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีก็มีลูกศิษย์นะตามขณะที่ท่านจาริกไปในป่าปรากฏว่าไปถึงช่ ง, งอนผาเนี่ยไปถึงช่องอ่อนผาเนี่ยนะก็ไม่ถึงไม่ถึงไม่เทิ ง, งเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นผาสูงหรือเหว ล, ลึกนะมองลงไปข้างล่างเนี่ยก็เห็นเสือเนี่ยนะแม่เสือเนี่ยมันเพิ่งออกลูกแล้วมันก็หิวมาก นะมันหิวมากนะมันจะกินลูกอ่ะมันจะกินลูกน้อยอ่ะพระโพธิสัตว์เนะี่ยซึ่งเป็นลือศีนะเห็นก็เลยบอกให้ลูกศิษย์เ น, นี่ยไปหาอาหารมาเพื่อจะมาให้แม่เสือจะได้ช่วยชีวิตของลูกเสือไว้พรากฏว่าลูกศิษย์เ น, นี่ยหายไปเลยคงหาอาหารไม่ไม่พบแม่เสือจะกินลูกเสืออีกแล้วนะพระโพธิสัตว์ทำยังไงนะจะช่วยชีวิตลูกเสือได้เนี่ยมีวิธีเดียวนะก็คือโดดลงไป ให้เป็นอาหารของแม่เสือยอมตายนะไม่ใช่เพื่อรักษาศีลนะแต่ว่าเพื่อช่วยลูกเสือไว้นี่เรียกว่าเป็นทานบา ร, รมีทนะานบา ร, รมีทานนบา ร, รมีเนี่ยนะมันมีหลายระดับระดับแรกคือให้ทานด้วยสิ่งของหรือให้สิ่งของเป็นทานระดับที่สองคือให้อวัยวะนะเรียกอุปบา ร, รมีระดับที่สามเนี่ยสูงสุดก็คือให้ชีวิตอันนี้ พระพุทธศาสนาะบำเพ็ญอย่างอุกฤษเลยนะให้ชีวิตเนี่ยไม่เรียกว่าค่าตัวตายนะอย่างนี้ไม่เรียกว่าค่าตัวตายแต่ว่าเป็นการบำเพ็ญปรมาภิ ร, รมีเพื่อเพื่อรักษาชีวิตของลูกเสือเอาไว้ไอ้พระพุทธศาสนาเนี่ยทําบุญแม้กระทั่งปกป้องช่วยลูกเสือแต่เดี๋ยวนี้บางทีคนไทยเราทําบุญเนี่ยนะเราไม่สนใจสิงสาราสัตว์เราไม่สนใจสัตว์เดรัจฉานเราจะทําบุญกับคนและทําบุญกับพระอรหันต์เนี่ย ถ้าไม่ใช่พระอระหันต์เป็นพระธรรมดาหรือถ้าไม่ใช่พระเป็นคนธรรมดาเราก็ไม่ทําบุญละเราไม่ให้แม้กระทั่งทานเพราะเราคิดว่าได้บุญน้อยนะแต่นี่คนไทยยังนไม่น้อยเนี่ยทําบุญเพื่อคิจะเอาการทําบุญในพุทธศาสนาทําบุญเพื่อจะละละความตรหนีละความเหง่ตัวละความยึดติดในตัวตนแต่พอเราทําบุญเพื่อจะเอาอะเอาอะไรนะ เอาโชคเอาลาบเราก็เลยคิดแต่จะทำบุญกับพระอรหันต์ที่ไหนมีพระอรหันต์ก็ไปบางทีก็ไปโดนเนงคำหลอกก็มีคนที่จะหลอกเนี่ยมีเยอะเลยนะอ้างตัวเป็นพระอรหันต์แต่พอจะทำบุญกับคนธรรมดาที่ยากจนอะ่ะไม่ทำได้บุญน้อยทำบุญกับสัตว์ไม่เอาได้บุญน้อยนะการทำบุญของคนไทยเดี๋ยวนี้จำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่แต่จา ก, การซื้อฟหุ้นคือเลือกทาบุญ ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงอันไหนให้ผลตอบแทนน้อยไม่ไม่ทําเหมือนกับว่าหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนน้อยไม่ซื้อนล้วเราทําบุญเหมื่อการซื้อหุ้นเลยนะแล้วก็โดนคนหลอกนะคนก็จะหลอกว่าทําบุญตัวนี้เนี่ยได้ได้บุญเยอะนะทําบุญอย่างนี้เนี่ยได้บุญมากเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่นี่เห็นนะนี่เป็นตัวอย่างนะว่าพระองค์เนี่ยพระพุทธสารท่านบำเพ็ญทานบารณีขนาดไหน ยอมตายนะยอมตายเพื่อที่จะช่วยชีวิตอื่นยอมตายที่จะไม่เบียดเบียนใครเรื่องนี้ก็มีเกร็ดนะมีเกร็ดประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีนะเกาหลีเนี่ยมันมีมันมีเมืองหลายเมืองนะที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาเขาไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วก็เป็นปฏิปักษ์กับพุทธศาสนานะก็มีพระราชาองคหนึ่งเนี่ยนะต้องการจะทําลายเมือง ที่นับถือพุทธศาสนา <c oughs> ก็กรีฑาทับเข้าไป <c oughs> แล้วก็ชนะนะเมืองนั้นเนี่ยนะพระเนี่ยหนีหนีกันอ่จะเรียกว่าหนีกันแบบเอาชีวิตหนีแบบเรียกว่าหัวสู้หัวสุนเลยเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยตายแน่แต่ว่ามีเจ้าวัดองคหนึ่งหลวงพ่อ น, นี่ท่านไม่หนีท่านก็เฝ้าวัดพอกองทัพมาถึงเนี่ยแม่ทัพเนี่ยก็ พอรู้ว่ามี้าพลุ่มหนึ่งไม่หนีนะก็เลยก็เลยอยากจะแสดงอำนาจเน่ารุนี้ไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครคงคิดแบบนี้นะก็ขี่ม้านะไปหาไปที่วัดเนี่ยพอเห็นเจ้าวาดองค์นี้อยู่ในวัดก็ลงจากหลังมา้าแล้วก็เดินไปหาเจ้าวาดแล้วก็บอกว่าท่านรู้ไหม ว่าท่านกาลังอยู่ต่อหน้าใครท่านกําลังอยู่ต่อหน้าคนที่สามารถจะฟันท่านให้ขาดเป็นสองท่อนได้นพูดขู่ให้กลัวเพราะเห็นว่าไม่หนีเนี่ยไม่หนีแซงก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครท่านเจ้าว่าหลวงพ่อท่านท่านท่านก็นิ่งนะแต่ท่านก็บอกว่าถ้ารู้รู้เปล่าว่าท่านกําลังอยู่ต่อหน้าคนที่พร้อมจะถูกฟันให้ขาดเป็นสองท่อนได้โดยตาไม่กระพริบทีแรกเนี่ยนะอตมาตกไปอีกตัวหนึงนะทีแรกเนี่ย ตัวแม่ท่าบอลเนี่ยท่านกำลังทะลุม่ท่านกำลังอยู่ต่อหน้าคนที่สามารถจะฟันท่านให้ขาดเป็นสองท่อนได้โดยตามแมกกะพิษนะโหเก่งนะฟันคนได้ขาดเป็นสองท่อนโดยตามแมกกะพิษนี่จำว่าเฮี้ยมมากนะแต่เจอหลวงพ่อนี่บอกว่าหลวงพ่อนแน่กว่านะพร้อมที่จะถูกฟันให้ขาดเป็นสองท่อนได้โดยตามแมกกะพิษนะคือพร้อมจะตายนะโดยที่ไม่กลัวความตายไม่ไม่อะไรชีวิตเลยจะฟันก็ฟันนะ คือถ้าไม่สู้นะเพราะการสู้คือการคือการทําร้ายซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงศีลทาไม่ทําระหว่างการระหว่างการไปฆ่าคนให้ตายกับการที่ถูกทําให้ตายเนี่ยถ้าเลือกอย่างหลังมากกว่าจะฆ่าก็ฆ่าเลยนะเราก็ไม่กลัวอันนี้ก็เป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีนะเรียกว่าศีลบารมีไอ้พวกเราชาวพุทธเนี่ยนะเราโชคดีที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา แล่ถ้าว่าแล้วเมื่อพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะก็ควรที่จะซึมซับรับเอาคำสอ น, น, นของพระพุทธองค์เอาไวนะ้เรื่องบารมีสิบเนี่ยสำคัญมากนะบารมีสิบทาน บ, นบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีเนคขมะคือการสาะออกจากการรมซึ่งภาษาชวบา้าเรียกออกบวชจะแปลว่าอยู่แบบเรียบง่ายก็ได้ออกบวชที่ใจก็ได้ อย่างพระมาชนกเนี่ยนะพระมาชนกนี่ตอนหลังก็ออกบวชนะ่ะกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยพอถึงพอพอถึงจุนหนึ่งก็ออกบวชมันเป็นประเพณีของอินเดียเลยนะไม่ใช่เฉพาะของพุทธนะของฮินดูเนี่ยหรือของลาทิเชนเนี่ยอย่างพระเจ้าจันทรคุปต์เนี่ยซึ่งเป็นปู่พระเจ้าอาโศกเนี่ยโอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่หลังจากที่ได้ฆ่าฟันผู้คนมามากมาย จนกระทั่งเรียกว่ากลายเป็นจะไม่ถึงไม่ถึงขั้นจกกักรพรรดินนะแต่ว่ายิ่งใหญ่มากแล้ววันหนึ่งเกิดทุกข์ภิกภัยนะฝนแรงผิหวห้ยอดอยากยากไร้โรคภัยไข้เจ็บก็ระบาดพระเจ้าจันทราคุก็สงสัยว่าเป็นพราะอะไรก็มีนัก บ, บวชแล้วที่เชื่อว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านทำกรรมหนักไว้เยอะจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องถ่ถอน โทษนะด้วยการออกบวชนะพระเจ้าตอนตทรคุณนี่ออกบวชเลยนะออกบวชเลยนะสมบัติเนี่ยทิ้งไว้ให้กับให้กับลูกออกบวชแบบไม่มีคนติดตามนะที่พระเจ้าเนี่ยบำเพ็ญมาพิณสกรมเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่จะพพะนะพระพุทธองค์นะมีเยอะนะแล้วก็ในชาติก็มีเรื่องราวแบบ น, นี้เยอะพระหมาชนกก็ดีพระเวสสันดรก็ดีก็บเำเพ็ญเนคขมะบา ร, รมี ออกบวชแต่ว่าไม่จำเป็นต้องออกบวชนะในรูปแบบก็ได้นะเราอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบพอเพียงพอเพียงจริงๆนะนะไม่ใช่เออไปไหนนี่ต้องถามว่ามีสัญญาณไฟฟ้าไหมมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยไปไหนหนุ่มสาวนี่ไปไหนต้องถามก่อนนะดีไม่ดีไม่ไม่สนใจถามว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมถ้ามีสัญญาณไปถ้าไม่มีสัญญาณไม่ไปธรรมญาตานี่จะมาถามว่าหมู่บ้านนี้มี สัญใจอินเทอเนต็ตไหมไม่มีไม่ไปนะไม่ไม่ถ้าไม่มีก็ไม่มาเนี่ยนะอย่างนี้ไม่พอเพียงกันนะเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินนะมันจำมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นนะมีประโยชน์แต่ไม่ใช่สิ่งจําเป็นนอกจากได้คำว่ า, า, าบา ร, รมีแล้วก็ปัญญาบา ร, รมีนะปัญญาบา ร, รมีแล้วก็วิริยะบา ร, รมีนะอย่างที่พูดสัจจะบา ร, รมีนะอันนี้ก็สําคัญนะลั่นวาจาสัตว์แล้วต้องทําไม่มีการบิดพลิ้วนะ วันนี้เราก็จะมีการบําเพ็ญสัจจะบา ร, รมีนะอยากเชิญชวนให้เราเนี่ยได้ได้ทําได้ตั้งสัจจะบา ร, รมีคันติบา ร, รมีนะคันติบา ร, รมีนี่อดทนนะผูริทัศน์เนี่ยนาคเนี่ยนะตัวที่พูดเมื่อกี้ก็ท่านก็บาเพ็ญคันติบา ร, รมีนะแต่ว่าท่านเด่นในเรื่องของศีลบา ร, รมีด้วยอธิษฐานบา ร, รมีนะข้อที่แปดอธิษฐานบา ร, รมีก็คือว่ามีความตั้งใจเด็ดเดียว คล้ายัจจนะก็คือว่าลั่นวาจาไปแล้วต้องทําวันนี้เนี่ยถ้าเราจะบำเพ็ญสัจจะบา ร, รมีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะบำเพ็ญอธิษฐานบา ร, รมีคือเราตั้งใจว่าเราจะลดละเลิกอะไรบ้างไม่ต้องมากนะแค่ข้อเดียวเราจะทําความดีอะไรบ้างให้มากกว่าที่เคยทําชาวพุทธเราอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเราไม่เชื่อเรื่องโชคลางเราไม่เชื่อว่าจะต้องจะสำเร็จได้เนี่ยต้องวิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งเดี๋ยวนี้เราใช้ คำว่าอธิษฐานมันไม่ใช่อธิษฐานคือเราตั้งใจจะทําสิ่งดีงามบารมีสองข้อสุดท้ายคือเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเดินธรรมยตรานี้บําเพ็ญบารมีเยอะนะบําเพ็ญบารมีเยอะทั้งขันติบารมีวิริยะบารมีบางคนก็สัจจะบารมีด้วยนะคือว่าลั่นวาจาไว้แล้วเนี่ยกับใครก็ตามว่าจะอยู่ให้ครบแปดวันนะเจอวันแรกนี้ก็ อ่อนใจเลยนะแต่ว่าก็ในเมื่อเราตั้งสัจจะไว้แล้วเราก็จะต้องเดินนะแม้จะต้องคลานก็ยอมอ่า น, นี้เรียกว่าสัจจะบา ร, รมีนะขันติบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีได้คําว่าบา ร, รมีก็มีส่วนหนึ่งนะเราก็พยายามอย่างน้อยการที่เราเอ่อมื่อเย็นเรางดอาหารเนี่ยนะมันก็เขาก็บําเพ็ญบา ร, รมีส่วนนี้ในระดับหนึ่งศีลบา ร, รมีก็เช่นเดียวกันดังนั้น ให้เราถือว่าเนี่ยการมาเตินธรรมย า, าเนี่ยมันเป็นส่วนของการบำเพ็ญบารมีด้วยนะแล้วก็ถ้ากว่าเราตั้งใจจริงเนี่ยเราเห็นประโยชน์เห็นอนิสง์ของบารมีเนี่ยก็ควรจะนึกต่อไปเอ อ, เ, อ, อเสร็จธรรมยาตรากลับบ้านแล้วเนี่ยเราอยากจะทำอะไรดีๆถวายพระพุทธเจ้าหรือว่าทำดีเพื่อพ่อก็ได้นะแต่ที่สุดเนี่ย ทำดีเพื่อตัวเองก็ไม่เสียหายนะถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยนะเราก็ต้องทำดีเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีเราไม่มีศีลนะเราแพ้แพ้ต่อกิเลสเราก็กำลังทำร้ายตัวเองแค่วางใจผิดเนี่ยก็ซ้ำเติมตัวเองแล้วนะอย่างที่พูดมาหลายครั้งนะว่าเดินธรรมะตายถ้าวางใจผิดเนี่ยมันซ้ำเติมตัวเองก็คือว่าไม่ใช่ปวดไม่ใช่ทุกแต่กายใจก็ทุกข์ด้วยไม่ใช่เหนื่อยแต่กายใจก็เหนื่อยด้วย อย่างนี้เรีว่าไม่รักตัวเองเพราะซ้ำเติมตัวเองเพราะไม่มีสติในการเดินไม่มีสมาธิในการเดินเนี่ยยิ่งถ้าเรารักตัวเจริงเนี่ยก็ต้องบําเพ็ญบา ร, รมีด้วยธรรมญาตานี้ก็ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะใกล้จะถึงอวสานแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้ตั้งจิตนะอธิษฐานในความหมายที่เป็นบา ร, รมีนะก็คือว่า ตั้งจิตแน่วแน่ที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อเราและเพื่อโลกเพืพ่อธรรมชาติหรือเพื่อสังคมประเทศชาติก็แล้วแต่ก็ฝากเอาไว้นะสาหรับค่าคืนนี้กราบพาะพร้องกัน